พวกเราก็ได้ทำวัดเช้านะทำกลางหมู่ดาวอยู่ที่พระธาตุน้ำรินนะก็เป็นบรรยากาศที่ดีเนาะอยู่บนมีท้องฟ้าที่เปิดกว้างนะมีแสงดาวเป็นเพื่อนได้ยินเสียงน้ำค้างนะที่รินลงมาจาก อยอดไม้บางครั้งฟังดีๆนึกว่าเหมือนฝนตกโปรยปรยลงมาอันนี้ก็ธรรมชาติเนาะที่สงบรม่มรื่นแล้วก็สวยงามเนาะก็จะน้อมนำจิตใจของเราให้เรียกว่าเกิดความสงบได้ง่ายการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกั น, นที่จริงเบื้องต้นพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าการที่เรา ปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยการทำกายให้สัพเพ ะ, ะนะหรือว่าการเลือกสถานที่ที่สงบหรือสถานที่ที่น้อมนำจิตใจให้เกิดความสงบได้ง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ที่ช่วยได้อย่างมากนะช่วยทำให้การปฏิบททัติธรรมคล้ายๆมันมีความมันได้หลักหรือว่าเกิดความตั้งมั่นได้ง่าย จิตเป็นสมาธิจิตมีสติได้ง่ายกนะารที่เราเลือกสถานที่ที่เป็นธรรมชาติเลือกสถานที่ที่สงบหรือเลือกสถานที่ที่เป็นสปายะตัวเนี้ยมันก็จะน้อมนาจิตใจของเราให้เกิดเกิดความสุขนะเกิดความสบายเกิดความผ่อนคลายพอจิตใจเราเกิดความผ่อนคลายเกิดความสุขเกิดความสบาย จิตใจมันก็จะเกิดความตั้งมั่นเป็นสมาธินะก็คือความสบายความผ่อนคลายความสุขเนี่ยมันเกิดก่อนแล้วสมาธิความตั้งมั่นของจิตมันก็เกิดตามมาเนี่ยสถานที่ก็เป็นส่วนที่สำคัญการที่เราได้ปีกตัวออกมาจากภาระการงานบ้างปีกตัวมาออกจากสังคมที่วุ่นวายสับสนบ้างก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะเป็นสิธิที่จาเป็นที่เราจะต้อง พยายามจัดสรรโอกาสตรงนี้บ้างเพื่อเพื่อทําให้จิตใจเรานาได้มีกําลังนได้มีกําลังเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านก็สอนกายวิเวกเนี่ยเป็นสิ่งที่มันมันจะส่งผลให้จิตวิเวกเกิดขึ้ น, นเมื่อกายเราสงบระ ง, งับจิตก็เกิดความสงบระ ง, งับได้ตามม า, าอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยที่ ที่ส่งผลนะต่อเนื่องกันนะแต่ที่จริงแล้วแต่บางทีในชีวิตจริงเราบางทีมันก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องอยู่แต่ในสถานที่ที่เป็นกายวิเวกนะหรือสถานที่ที่สงบระ ง, งับหรือว่าสถานที่ที่สับปะยัตลอดบางค่าวเราก็เลือกไม่ได้แม้แต่การเดินทางทุตรงเองก็ดีนะ บางทีเราก็ต้องเข้าไปบินธบาตในบ้านบางทีเราก็ต้องเดินตามท้องถนนบางทีเราก็ต้องผ่านชุมชนที่ที่วุ่นวายบางคราวเราก็อยู่ในที่ธรรมชาตินั่นแหละแต่มันก็ไม่แต่มันก็มีความไม่สะดวกสบายนะทุรักทุเลก็มีนะไอ้พนี้มันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ที่เป็นตัวทดสอบ ทดสอบว่าเออการที่เราอยู่ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มันที่มันไม่เอือ้อนะหรือมีมความวุ่นวายมีความลําบากเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะรับมือกับมันไหมนะจิตใจของเราเกิดความท้อแท้ท้อถอยหรือว่าเกิดความวุ่นวายตามไปกับสิ่งภายนอกหรือเปล่านะ จิตวิเวกที่แท้จริงมันก็ต้องถ้าจะดีจริงๆก็คือว่าแม้สถานที่จะสงบหรือสถานที่จะไม่สงบจิตเราก็สามารถสงบได้จิตเราก็สามารถตั้งมั่นได้อันนี้เป็นจิตวิเวกที่ขั้นที่สูงขึ้นมานอกจากจิตเราจะสงบเนื่องด้วยกายสงบเนื่องด้วยสถานที่สงบนั้นอันนั้นก็เป็นเพียงแค่พื้นฐา น, นซึ่ง เราก็จัดสันโอกาสได้บ้างหรือบางทีก็แต่บางคราวพอเราจะสันโอกาสไม่ได้เช่นนั้นเราก็ต้องมาจัดจิตใจของเราให้เป็นจิตวิเวกแม้ภายนอกจะวิเวกหรือไม่วิเวกก็ตามอันนี้มันเป็นสิ่งที่ขั้นที่สูงขึ้นมาซึ่งในการปฏิบัตินะทว ด, ดงขวัตก็ดีหรือว่าแม้เราจะปฏิบัติทาอยู่ที่ไหนก็ดีเนาะจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าท่านท่าน มุ่งเน้นคือการให้เกิดจิตวิเวทในแง่ในแง่ตรงนี้ก็คือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับกายจะมีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นสิ่งกระทบกระทบทางอายจันนะทั้งหกก็ดีล้วก็สามารถเรียกว่ามีสติรักษาจิตให้เป็นปกติได้สติจะช่วยรักษาจิตให้เป็นปกติเมื่อตาเห็นรูปนะ เมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายได้สัมผัสนะเมื่อจิตใจคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นถ้าเรามีสติรู้เท่าทันเนาะมันก็จะไม่ไหลไม่หลงไม่เพลินไปกับสิ่งที่กระทบตรงนั้นจิตก็เกิดความตั้งมั่นเกิดขึ้นมาแต่บางคราวแม้จะมีอาการปรุงแต่งเป็นชอบเป็นชังเป็นสุขเป็นทุกข์ แล้วก็คอยมีสติคอยรู้ทันเวทนาที่เกิดขึ้นกับจิตคอยรู้ทันความปรุงแต่งหรือว่าเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตนะก็ความคิดความนึกอารมณ์ความรู้สึกเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็แค่รู้แล้วก็วางนะรู้แล้วก็วางไปเจอสิ่งที่ชอบอ่ะก็รู้ว่าชอบไปเจอสิ่งที่ชังก็รู้ว่าชังนี จิตเกิดความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตมีความสงบจิตมีความสุขเกิดขึ้นก็แค่รู้ว่าจิตมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นนะก็แค่รู้นะจิตจะมีความเศร้าจิตจะมีความอะไรก็แล้วแต่ก็แค่รู้รู้โดยไม่ต้องไปไม่ต้องไปตอแยอะไกับมันคือการรู้ตรงนี้คือเป็นการรู้ทุกนะรู้ตัวทุกคือหรือว่ารู้ตัวที่มัน มันเกิดขึ้นมาแล้วนะโดยที่เราไม่ต้องไปสาวหาหาเหตุหาผลกับมันในเบื้องต้นนะไม่ต้องไปหาเหตุว่าทําไมสิ่งนี้เราถึงชอบทําไมสิ่งนี้เราถึงชังทําไมสิ่งนี้เราถึงสุขทําไมสิ่งนี้เราถึงทุกข์ยังไม่ต้องไปถามว่าทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นแค่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกายกับจิตแค่นั้นพอนะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนนะ เมื่อเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ่อยๆรู้ไปเรื่อยๆเรามีสติเห็นเรื่อยๆไม่ว่ า, าจะเกิดขึ้นกับกายหรือกับจิตวมันก็ร้วนมีความไม่เที่ยงทั้งนั้นนไม่ว่าสุขเกิดขึ้นมาก็มีความไม่เที่ยงสุขก็ดับไปไม่ว่าทุกข์จะเกิดขึ้นมามากขนาดไหนมันก็ร้วนดับไปนทุกสิ่งทั้งอย่างมาเป็นเช่นนั้น สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมดาถ้าเราตามเห็นนะเออเราก็ไม่ต้องถามว่าทำไมเลยเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่จะเป็นสิ่งที่เป็นกุศลก็ดีเป็นสิ่งอกุศลก็ดีหรือเป็นสิ่งที่เป็นกลางๆ ก, ก็ดีก็ร้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าเราตามเห็นอาการตรง ตรงเนี้บยบ่อยๆเนาะเราก็จะเกิดการปล่อยวางเกิดการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสภาวะอารมณ์ในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับปัยกับจิตนะมันก็ตกไปตกไปตกไปต่อหน้าต่อตาส่วนความรู้ความเข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นมันจะตามมาที่หลังเองเนาะแต่มันก็จะมันจะตามมาก็ต่อเมื่อว่าเราเห็นอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันบ่อยๆนะ เห็นสภาวะทำผ่านมาผ่านไปลุกแล้วลุกเล่าสิ่งนั้นเกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นดับสิ่งนี้เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ดับไปใหม่เห็นแบบนี้ไปบ่อยๆเห็นไปบ่อยๆมันจะเกิดความเข้าใจเองว่าทำไมนอะมันถึงเกิดขึ้นมามันไม่ใช่เป็นการคิดหาว่าทำไมแต่มันเกิดเป็นความเข้าใจเลยว่าอ้อมันเกิดเพราะเหตุนี้ ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุให้เกิดขึ้นมานี่ยแหละนะเมื่อมีเหตุก็เลยเกิดผลขึ้นมานะแต่ตอนที่เรารู้ทันตอนแรกเมืเรารู้ทันผลที่มันเกิดขึ้นก่อนส่วนเหตุเนี่ยเรามารู้ทีหลังนะแต่มันรู้ก็ต่อเมื่อมันจะรู้เองนะนมันไม่ใช่เราจะใช้เป็นใช้ความคิดใช้สมองในการคิดวิเคราะห์หรือว่าพยายามทำความเข้าใจมาหรอกแต่มันจะรู้ก็ต่อเมื่อมันจะรู้เองนะ ในภาคของการปฏิบัติเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่จิตมันเข้าไปรู้ของเขาเองมันเป็นเรื่องที่จิตเขาหลงของเขาเองนะเหมือนอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านชอบพูดว่ามันก็มีแค่สองอย่างแหละนะมีแต่ตัวรู้กับตัวหลงนะถ้าเรารู้มันก็มันก็ไม่หลงถ้าเราหลงมันก็มีรู้นะที่จริงทุกสิ่งอย่างมันก็เป็นแบบนั้นนะมีแต่รู้กับหลงรู้กับหลงซึ่งที่จริง รู้ก็ตามหลงก็ตามก็เป็นเรื่องที่จิตเขาเขาเกิดของเขาเองนะเขาเกิดของเขาเองจิตไปหลงก็เป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้นะจิตจะรู้นะก็บังคับไม่ได้ด้วยกันนะอยากจะรู้นะมีความอยากเกิดขึ้นมันไม่รู้หรอกนะแต่ถ้าสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วเรารู้ว่าอ๋ออาการมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันรู้ของมันเองนะจิตจะรู้ เขาก็รู้ของเขาเองจิตจะหลงเขาก็หลงของเขาเองนะฟังเช่นนี้เหมือนว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะหรือเราไม่สามารถบังคับหรือเราไม่สามารถจัดการอะไรได้เลยนะฟังแบบนี้มันอาจจะดูเหมือนงั้นแต่ที่จริงแล้วเนาะมันก็มีเหตนะุเหตุที่ทำให้เกิดความหลงมันก็มีก็คือความไม่รู้สึกตัวหรือว่า มีความไม่ตั้งมั่นของจิตจิตขาดาขาดสติสมบัติัญญะอันนี้ก็คือเหตุให้เกิดความหลงแต่จิตจะเกิดความรู้นะจิตจะรู้ตัวขึ้นมามันก็มีเหตุก็คือว่าถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันนะจิตไม่ไหลออกไปข้างนอกจิตรู้เนื้อรู้ตัวว่ากายกำลังทำอะไรหรือจิตรู้ว่า ใจกำลังคิดนึกปรุงแต่งอย่างไรอันนี้ก็คือเหตุที่ทําให้เกิดความตัวรู้นะแม้ตัวรู้ก็ตามตัวหลงก็ตามเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้มันเกิดของเขาเองมันดับของเขาเองนะมันเปลี่ยนของเขาเองแต่สิ่งที่เราสามารถสร้างได้คือเราสามารถสร้างเหตุให้เกิดตัวรู้ได้นะเหตุที่จะเกิดตัวรู้ก็คือเนี่ยแหละกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะไม่ว่าจะคิดไปอดีตก็ตาม ไม่ว่าจะไปกังวลถึงอนาคตก็ตามเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันรู้นะว่ากาลังทำอะไรรู้ว่ากาลังยืนเดินนั่งนอนรู้ว่ากาลังหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าใจมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับ น, น, นี้ก็คือเรากลับมารู้ที่ปัจจุบันรู้แล้วหรือบางทีก็เป็นการรู้ว่าออตา เขาไหลไปมองละนะตาไปกระทบรูปจิตใจไหลออกไปทางตาละนะหูได้ยินเสียงนะได้ยินแล้วยังไม่พออน่ยไปคิดนึกปรุงแต่งในเรื่องเสียงมันไหลออกไปละนะเราก็แค่รู้นะอันนี้ก็คือเป็นการรู้ในปัจจุบันเช่นกันเนาะนะนรู้ว่าตาหลงไปดูรูปรู้ว่าหูหลงไปฟังเสียงรู้ว่าจมูกหลงไปดมกลิ่นรู้ว่าลิ้น อ่าไปยินดียินร้ายในรสชาติของอาหารรู้ว่ากายมันร้อนมันหนาวมันปวดมันเมื่อยรู้ว่าใจเขาคิดของเขา น, นี่คือคือการรู้กลับมารู้ที่ปัจจุบันไม่ได้ห้ามนะที่จริงทุกสภาวะธรรมนะมันเกิดขึ้นเนี่ยมีค่าเท่ากันคือมีค่าเพื่อให้เกิดคือให้จิตมันรู้เพื่อให้ส ต, ติมันรู้ ไม่ว่าสภาวธรรมนั้นจะบวกก็ตามลบก็ตามอะไรก็ตามเนาะไม่มีค่าเท่ากันคือแค่รู้รู้แล้วก็วาง <c oughs> รู้แล้วก็วางมันใหม่อันนี้คือสิ่งที่ที่ดักในการที่เราจะได้เป็นตัวดักในการฝึกเจริญภาวนาเนาะเราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่พยายามกลับมารูตัวบ่อยๆกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะ อย่าให้ใจเขาไหลไปหลงไปกับอยายตนะภายนอกอยให้ใจเขาไหลเขาหลงไปกับอดีตไป ก, กับอนาคตนะให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันแม้เราห้ามเขาไม่ได้นะแต่ความรู้สึกตัวจะทําให้เกิดการดึงเขากลับมาสู่สภาวะที่มั่นคงสู่สภาวะที่ปกติทําให้เกิดจิตตะวิเวกขึ้นมานะมันจะเห็นได้ว่า จิตที่เป็นปกติมันยังมีอยู่นะไอ้ที่จิตเขาหลงไปชั่วคราวเนี่ยมันก็แค่เป็นอาการเสี้ยวนึงที่ไหวไปเท่านั้นอะ่ะนะแต่พอรู้ทันจิตก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะนั้นอาการภายนอกนะจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่อ้อถ้าเรามีสติคอยรักษาจิตเนี่ยมันจะเป็นตัวเป็นเครื่องคุ้มครองนะเครื่องคุ้มครองจิตของเราให้เรียกว่ามีความมั่นคงมีความตั้งมั่นนะ อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรก็แล้วแต่เราก็ต้องปฏิบัติให้ได้แต่คราวนี้ก็แต่บางทีไอ้ความรู้อันนี้เป็นความรู้เรื่องเรื่องการภาวนาเป็นความรู้เรื่องเรื่องกายเรื่องใจของเราเองซึ่งเป็นหน้าที่ที่เราต้องศึกษาเรียนรู้แต่ในขณะที่เดินทางนะขณะที่เดินทาง เราบางทีเราก็ต้องฉลาดเราต้องคล่องแคล่วในการรู้ให้รอบด้วยนะไม่ใช่เราจะเพ่งเข้ามาดูแต่ตัวเองอย่างเดียวบางทีเราก็ต้องรู้ข้างนอกให้รอบเช่นเดียวกันรู้รู้ข้างนอกในทีน่นี้นะเช่นเวลาเร า, เ, ราเดินทางเราไปอยู่ในสถานที่ไหนไปอยู่กับวัดวาอารางเช่นไรเราก็ต้องปฏิบัติตนให้ถูก กับสถานที่เช่นนั้นด้วยนะเพราะว่าบางทีไอ้พวกอพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องของสมมติเนาะในวัดแต่ละที่ก็อาจจะมีมีข้อวัดปฏิบัติแตกต่างกันนะในสถานที่แต่ละที่ในแต่ละภาคแต่ละประเทศเขาอาจจะถือต่างกันเราก็ต้องฉลาดในการเรียกว่าในการทำความเข้าใจในสถานที่นั้นๆเช่นอย่าง บริเวณนี้เป็นเป็นพระธาตุนะแม้จะเป็นพระธาตุที่ยังไม่เก่าแก่ก็ฟื้นสร้งไม่กี่ปีแต่โดยธรรมเนียมภาคเหนือแล้วเขาก็จะห้ามผู้หญิงขึ้นขึ้นมาบนตรงฐานพระธาตุแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นภาคอื่นนะก็อาจจะไม่ห้ามนะอันนี้ก็เราเร า, เราก็ต้องรู้ไว้นะเราจะได้ปฏิบัติให้ถูกเพราะบางที เจ้าถิ่นหรือว่าชาวบ้านถ้าเขาถือนะมันก็มันก็จะเกิดมุมมองที่ไม่ดีนะดังนั้นสิ่งใดที่เราไม่เข้าใจเราก็ต้องถามนะหรือว่าเราลังเลสงสัยเราก็ต้องถามให้แน่ใจก่อนว่าอันนี้ทำได้ไหมอันนี้ทำทาไม่ได้ไหมเนะอันนี้เราต้องฉลาดไว้ที่จริงแม้แต่เป็นเรื่องเนะเล็กๆน้อยบางอย่างก็เหมือนกันนะ บางที่เขาห้องน้ำตัวนี้สำหรับพระเท่านั้นห้องน้ำนี้สำหรับอุบาสกอุบาสิการเนี่ยเราก็ต้องถามว่าตรงไหนใช้ได้ตรงไหนใช้ไม่ได้หรือแม้แต่เรื่องออน้ำดื่มของเคี้ยวของชันบางอย่างในบางที่เขาก็จัดไว้สำหรับพระโดยเฉพาะอันนี้สำหรับญาติโยมอย่างนี้เราก็ต้องถามเพราะว่าบางทีบางครั้งเราก็ไปพักในวัดที่ ที่เขาถือปฏิบัติแบบเคร่งคัดเช่นในสายวัดป่าในธรรมยุธ์ตรนีน้เราก็ต้องต้องฉลาดนะต้องดูให้ออกว่าอ๋อเราเข้ามาสู่สถานที่ที่ที่่านถือข้อวัดแบบนี้นะเช่นในสายวัดป่าถ้ามีระเบียบถ้ามีข้อวัดอย่างไรนะอันไหนที่เราไม่เข้าใจก็ให้เราถามแต่บางคราวก็ต้องใช้ไใบพิพในการดู ในการสังเกตให้มากด้วยนะท่านทำอย่างไรนะท่านมีอะไรอย่างไรเนะี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องฉลาดด้วยเพราะที่จริงเรื่องพวกนี้เราจะเราจะไม่เรียนรู้เลยมันก็ไม่ได้เนาะนะนะถ้าเ ร, เราก็ต้องเรียนรู้ให้ถูกการเทศษษะนะเพราะว่าบางทีในสถานที่ที่เราอยู่เช่นที่วัดที่บ้านเราจะเคยทำอย่างนี้ได้แต่พอเราออกมาข้างนอกแล้วเออบางทีเขาก็ถือนะนยะเราก็ต้อง ทำรวมระวังตรงนี้ด้วยนะอันนี้คือคือสิ่งที่เราก็ต้องเรียนรู้คู่กันไปซึ่งวิชาพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ถ้าเราบางทีถ้าเราไม่ได้ออกมาจากนอกวัดถ้าเราไม่ได้ออกมาจากสังคมที่เราคุ้นชินน่ะเราก็จะคิดแต่ว่าวัดทุกวัดก็คงคล้ายคลวัดเรานี่แหละนะหรือ บ, บางทีเราก็ไม่เห็นวิธีปฏิบัติธรรมวิธีอื่นเราก็คิดว่าเออก็วิธีปฏิบัติธรรมก็เป็นแบบ ที่เราเคยปฏิบัตินี่แหละนะหรือการปฏิบัติตัวของพระของอุบาสกอุบาสิกาก็คงคล้ายๆกับที่วัดที่เราคุ้นเคยนี่แหละที่เขาสอนกันนั่นแหละนะแต่บางทีมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เพราะว่าสมมุตินะสมมุติโดยภายนอกแล้วมันก็เป็นสมมุติที่แต่ละสังคมแต่ละประเพณีเขาบัญญัติขึ้นนะเราจะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดกับกันมันก็ไม่ได้หรอกนะมันก็เป็น เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามเงื่อนไขของของสถานที่หรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆเนาะเราไม่เอาเราไม่เอาผิดเอาถูกกับกับเรื่องของสมมุติหรอกเนะแต่ให้เรารู้สมมุตินะถ้าเราเข้าใจสมมุติแล้วเราก็จะไม่ติดสมมุตินะนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะติดนะมันก็กลายเป็นสินพัตนปรามาตคือการยึดมั่นถือมั่นในสินในข้อวัด ในข้อปฏิบัติว่าต้องทําอย่างนี้เท่านั้นถึงจะเป็นทางบรรลุธรรมต้องแบบนี้สิถึงจะถูกแบบนี้ผิดอะไรเนะี่ยเป็นการยึดมั่นถือมั่นในศินละพัตปรามาสในข้อวัดปฏิบัติต่างๆแต่การที่เราทําทําให้ถูกต้องตามกาลเทศะอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็เป็นการปรับปรับตัวปรับใจเนาะนะอกะจากบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ที่จริง ในข้อวัดปฏิบัตินะมันก็ยังมีหลักที่มันมันคุมข้อวัดปฏิบัติอยู่นะมันก็ต้องดูว่าข้อวัดปฏิบัติเช่นไรนะถ้ามันเป็นไปเพื่อความนะความเห็นผิดหรือว่าความยึดมั่นถือมั่นเคราะละมันเสียนะหรือว่าบางทีมันก็มีเรื่องของสินที่มาที่มาเป็นตัวตรวจสอบว่าข้อวัดปฏิบัติเช่นเนี้ยมันถูกสิน สุขธรมไหมนะเช่นสมมติอย่างพระอย่างพระเราก็มีสินอย่างน้อยสองอยี่สบ็ดข้อเนี่ยก็เป็นตัวคอยตรวจสอบได้ว่าอ๋ออย่างบางประเพณีเขามีการฉันเข้าเย็นมีการนะย่อนในพระวินัยบางข้อแล้วก็สามารถเอาศินที่พระพุทธเจ้ายท่านบัญญัติไว้มาตรวจสอบได้ว่าอ๋ออันนี้เป็นเรื่องของความย่อนหรือความเพี้ยนไปแล้วนะเราก็ ไม่ได้ถือตามตรงนั้นก็ได้นะเนี่ยเราก็มีศีลเป็นตัวคอยตรวจสอบว่าว่าสิ่งที่เป็นประเพณีอะไรต่างๆเขาทาเนี่ยมันมันถูกต้องหรือไม่เราก็เราก็สามารถทําให้ถูกตามหลักของศีลได้หรือว่าเราจะเอาหลักของธรรมะมาเป็นตั ว, ต, วตัวตรวจสอบก็ได้นะสิ่งใดที่ทําแล้วจิตใจเกิดความเจริญด้วยกุศลนะเกิดสมาธิ เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรจิงใดที่ทําแล้วนะมันเกิดเป็นความอากุศลเกิดขึ้นนะเกิดความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ควรละมันเสียอันนี้ก็คือก็เป็นหลักซึ่งบางทีบางทีหรือว่าบางเหตุการณ์แต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะนะมันก็เราก็ต้องก็ก็ต้องดูให้ ให้เกิดความเหมาะสมแต่นี่คือเราก็เรียนรู้ไว้นะเรียนรู้ไว้จะได้เกิดความฉลาดนะรู้รอบนะเพราะว่าการออกตัวตงเนี่ยอย่างหนึ่งก็เป็นการออกมาเรียนรู้เนาะเราต้องทําตัวเหมือนเป็นเป็นนักเรียนน้อยที่ที่คอยเรียนรู้โลกด้วยนะเรียนรู้สังคมด้วยนะแต่ดักที่สําคัญคือเราเรียนรู้กายรู้ใจของเราแหละเป็นสิ่งที่สําคัญ การเรียนรู้โลกการเรียนรู้สังคมก็ทําให้เราเกิดความเข้าใจเออไอที่เราคิดว่ามันเป็นแบบนี้เนาะไอที่เราคิดว่าเออมันเป็นแบบมันเป็นคล้ายๆที่เราเคยปฏิบัติแต่บางทีมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่แต่ใช่จริงแล้วมันก็เป็นแค่สมมุติที่เกิดขึ้นเท่านั้นเราก็ต้องอืมเข้าใจหูตาเราก็ไหวเราก็เกิดความฉลาดมีอาการตุ ก, กะเข้ามาแวะพักกับเราเราก็รู้ว่าเออเขา เคยมีข้อวัดปฏิบัติแบบไหนเออเราก็เข้าใจเขาได้นะที่จริงความเข้าใจนี่แหละทำให้เกิดการวางใจนะถ้าเราไม่เข้าใจนะเราจะวางใจไปเลยนี่มันไม่ได้หรอกนะต้องเข้าใจก่อนมาถึงจะวางใจได้ว่าอ๋อมันเป็นไปเพราะอย่างนี้นี่เองนะมันคือเกิดความวางใจได้อันนี้คือสิ่งที่ที่เราก็ต้องค่อยๆค่อยๆดูกันไปเนาะเพราะว่าเป็นการมาเรียนรู้มาศึกษา ทั้งภายนอกทั้งภายในนะเราจะเพ่งแต่ภายในเพ่งแต่จิตใจของตัวเองเลยก็ก็ไม่ถูกหรือเราจะไปเน้นแต่เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมธรรมชาติภายนอกก็ไม่ถูกเช่นเดียวกันนะต้องดูทั้งในดูทั้งนอกเหมือนอย่างที่หลวงพ่อเทียนเคยสอนหลวงพ่อของเขียนนะท่านก็สอนเป็นปิริศนาธรรมนะไม่ได้อธิบายตรงๆ มีวันหนึ่งที่หลวงพ่องเทียนท่านนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ในกุฏิ nou, หลวงพ่อเทียนก็เดินมาถามหลวงพ่องเทียนว่า <_ entered> เห็นข้างนอกหรือเปล่านะเถามว่าทํำอะไรอยู่หลวงพ่องเทียนก็บอกปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเห็นข้างนอกหรือไม่ะหลวงพ่องเทียนก็บอกไม่เห็นแล้วทําไงถึงจะเห็นนะก็ต้องเปิดประตูออกมาก่อนะเปิดประตูออกมา หลวงพ่อคำเขียนก็เลยอยู่ตรงระหว่างประตูตรงนั้นก็นั่งอยู่ตรงนั้นหลวงพ่อเทียนก็อยู่ข้างล่างก็พูดว่าเออแล้วออลตรงเนี้ยเห็นข้างนอกไหมเห็นครับน่ะเห็นข้างในไหมเห็นครับเออให้ทําอย่างนั้นนะน่ะหลวงพ่อเทียนก็บอกให้ทําอย่างนั้นหลวงพ่อคำเขียนตอนแรกก็ยังไม่ค่เข้าใจว่าให้ทําอย่างนี้หมายความว่าอะไรเนี่ยการให้นั่งอยู่ตรงตรงประตู แบบนี้เหรอให้ทำแบบนี้แต่จริงหลักแล้วก็คือว่าการที่รู้ทั้งนอกรู้ทั้งในเนี่ยเป็นสิ่งที่มันพอดีเนาะไม่ใช่เพ่งไว้แค่ภายในหรือไม่ใช่ส่งจิตออกไปทั้งนอกหรือเรียนรู้แต่ความรู้ทั้งนอกเท่านั้นนะนั่นเราก็ต้องดองลองสังเกตสังเกตกายสังเก ต, เกตใจของเราเองแล้วก็สังเกตธรรมชาติภายนอกไปด้วยเนาะให้มันดูทั้งนอกรู้ทั้งใน ที่จริงความรู้สึกตัวีนเป็นตัวที่เรียกว่าตัวรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมนะไม่ใช่รู้ตัวไม่ใช่รู้แค่จุดใดจุดหนึ่งไม่ใช่รู้แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่มารู้รอบรู้รอบทั้งหมดเลยรู้รอบกายรู้รอบใจเห็นทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกได้ยินทั้งสิ่งที่เกิดขึ้น แต่พี่หนูว่าจิตเราจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใด น, นะเราก็รู้ทันมันด้วยอันนี้คือเราก็ฝากไว้ในในคาววันนี้แล้วกัน